วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบหกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามเป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ตั้งใจมาเพื่อมาศึกษา และปฏิบัติพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเพื่อผลอันประเสริฐที่จะเกิดตามมาก็คือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี้คืออะไรก็คือวิมุตติ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถที่จะทำให้จิตใจของพวกเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจของพวกเราได้มีเพียงแต่ลดแห่งธรรมลดแห่งวิมุตติเท่านั้นที่จะทาให้ความทุกข์ทั้งหลาย ที่มีในจิตใจของพวกเรานี้หมดสิ้นไปได้การเข้าหาลถแห่งธรรมเข้าหาวิมุตติเราก็ต้องมีความยินดีกับธรรมที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเรายินดีกันปฏิบัติกันธรรมที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเรายินดี ให้พวกเราปฏิบัติก็คือหนึ่งให้เรามีความยินดีกับความมักน้อยสันโดษอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้อง <c oughs> ยินดีกันปฏิบัติกันให้ได้มักน้อยก็คือให้เรามักในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้น ในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพคือร่างกายของเราเช่นปัจจัยสี่อาหาร <c oughs> เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย <c oughs> ให้มีพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปถ้าเป็นไปได้ ถ้าเป็นไปไม่ได้ถ้าหามาไม่ได้ก็ให้ใช้สันโดษคือความยินดีตามมีตามเกิดถ้าขาดแคลนบ้างขาดแคลนในหาในปัจจัยสี่ในอาหารในเครื่องนุ่งห่มในที่อยู่อาศัยในยารักษาโรคบางเวลาบางโอกาสอย่างช่วงนี้ เช่องที่เศรษฐกิจปั่นป่วน<ม>เนื่องจากเหตุของโรคระบาดบางท่านก็อาจจะตกงานรายได้ก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปการจะหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงนั่งกายอาจจะทำไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบก็ขอให้ยินดีตามมีตามเกิด อ๋ยคิดว่าถ้ายังอยู่ได้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายของเราทุกคนไม่ช้าก็เร็ว<ม>ต่อให้มีมากมีน้อย<ม>ถึงเวลาของร่างกายจะตายมันก็ต้องตายของมันอยู่ดีให้ยินดีแบบนี้เพื่อเราจะได้ กำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความดิ้นรนอยากได้สิ่งต่างๆมาบำรุงบำเือร่างกายของพวกเรามากจนเกินไปทำให้เกิดความทุกข์ใจต่างๆขึ้นมาและสิ่งที่เราได้ก็จะเป็นสิ่งชั่วคราวเท่านั้นเองคือร่างกาย ต่อให้เราบำรุงบำเลอมันดีมากน้อยเพียงไรก็ตามในที่สุดมันก็ต้องถึงตึกถึงแก่ความตายไปทุกคนทุกร่างกาย mm hmm. ถ้าเราไม่ต้องการที่จะต้องมาทุกข์กับเรื่องของร่างกายเราต้องรู้จักคําว่ามากน้อยสันโดษ mm hmm. มากน้อยก็คือมีเท่าที่จําเป็นก็พอ mm hmm. อาหาร mm hmm. ก็กินวนลามื้อสองมื้อก็พอถ้าเป็นนักปฏิบัติที่ก้าวหน้าก็กินมื้อเดียวก็อยู่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องกินเวนลาสี่ห้ามือ้ออันนี้กินตามความอยากกินแล้วแทนที่จิตใจจะมีความสุขกับมีความทุกข์ทุกข์เพราะกลัวความอดความอยาก ทุกข์ก็อยากจะกินอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้กินก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าปล่อยให้กินตามความอยากแล้วก็จะมีผลกระทบต่อร่างกายต่อไปทำให้ร่างกายนี้มีน้ำหนักเกินทำให้ทุกข์กับความไม่สวยงามของร่างกายของตน แล้วก็ทุกกับโครคภัยไข้เจ็บที่จะเข้ามาเบียดเบียนเนื่องจากร่างกายมีสิ่งที่มากเกินไปต่อความต้องการของร่างกายแทนที่จะเป็นประโยชน์กลับเป็นโทษต่อร่างกายเช่นมีน้ำตาลมากเกินไปกินของหวานมากเกินไป ก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานขึ้นมา mm hmm. กินของมันมันมากเกินไป <c oughs> ก็เกิดโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด mm hmm. ทำให้เกิดโรคหัวใจ mm hmm. เกิดโรครมพฤกรรมภาต mm hmm. ขึ้นมา mm hmm. ผลจากการที่ไม่มีความมากน้อยสันโดษ mm hmm. ในการรับประทานอาหารมีแต่ความโลกความมากมาก อยากกินมากมากอยากกินบ่อยๆ อ, อยากกินอยู่เรื่อยๆเ mm hmm. พราะคิดว่านี่เป็นความสุข mm hmm. แต่มันเป็นความสุขแค่ปลายลิ้นเท่านั้นเองแต่มันจะนำพามาซึ่งความทุกข์ทางจิตใจที่เราต้องการจะกำจัดกันเ mm hmm. พราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะกำจัดความทุกข์ทางจิตใจ เราต้องรู้จักควาว่ามากน้อยสันโดษ <Yeah. S 1> และต้องรู้จักกับคำ ว, ว่าสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ <Yeah. S 1> กับสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ <Yeah. S 1> สิ่งที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพนี้เราไม่ควรที่จะไปยินดีกัน <Yeah. S 1> เช่นลาบยศสรรเสริญสุข <Yeah. S 1> ทางตาหูจมูกล่างกายนี่ ยกเว้นลาบคือเงินทองอาจจะต้องมีความยินดีบ้างเพราะต้องอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือซื้อปัจจัยสี่ต่างๆมาบำรุงดูแลร่างกายแต่ก็ไม่ต้องการมากจนเกินไปอย่าไปยินดีกับความร่ำรวยยินดีกับความมีตำแหน่งสูง มีเกียรติยศมีหน้ามีตามีคนยกย่องนับถือยินดีกับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นกองทุกข์มันเป็นที่จะทำให้เกิดความทุกข์ตามมาต่อไปในเบื้องต้นอาจจะเป็นความสุขเวลาได้ลาบยศรสรรเสริญ ได้รูปเสียงก็ิ่นรสต่างๆมาก็จะเกิดความรู้สึกมีความสุขแต่เวลาที่สูญเสียสิ่งที่ได้มาไปความสุขที่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ตามมาถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ได้ใจก็ไม่ต้องทุกข์กับมันไม่ต้องทุกข์กั บ, าบะลาดยศฉลเสริรนส คือถ้าเรื่องของลาบก็ให้หามาพอเลี้ยงดูร่างกายก็พอไม่ต้องเป็นร่ำรวยเป็นเศรษฐีไม่ต้องกลัวว่าจะน้อยหน้าน้อยตาคนอื่นถ้าไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สมบัติมาอวดมาโชว์กันพอการไปยินดีกับ สิ่งเหล่านี้จะทำให้ใจวุ่นวายจะทำให้ใจไม่มีความสุขถึงแม้จะร่ำรวยก็ต้องมาวุ่นวายกับการคอยหาเงินมาเรื่อยๆเรย<ม>พราะเมื่อรวยแล้วก็ต้องพยายามรักษาระดับความรวยไว้มไม่ให้ลดน้อยถอยลงไป มีแต่อยากจะให้เพิ่มมากขึ้นไปอยู่เรื่อยๆก็ต้องวุ่นวายกับการหาเงินหาทองอยู่เรื่อยๆสิ่งเหล่านี้คือลาบยศสรรเสริญสุขนี้เป็นของไม่แน่นอนเป็นของที่มีขึ้ น, นมีลง ม, มีขึ้นมีลงเวลาขึ้นก็ดี อ, อกดีใจกัน เแล้วลงก็เสีย อ, อกเสียใจกันถ้าเราต้องการที่จะกําจัดความเสีย อ, อกเสียใจกําจัดความทุกข์ใจต่างๆเราก็ต้องอย่าไปสนใจอย่าเป็นยินดีกับลาบยศเสรเิญสุขให้ยินดีกับลาบคือเงินทองที่จําเป็นต่อการเลี้ยงชีพก็พอ พามีเงินทองพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อยแล้วได้ก็พอถ้ามีมากกว่านั้นก็เอาไปแบ่งปันเอาไปทำบุญเอาไปแผ่เมตตาจะดีกว่าทำให้มีความสุขใจมากขึ้นทำให้มีความทุกข์ใจน้อยลงไป น, นี่คือสิ่งแรกของผู้ที่ต้องการที่จะสัมผัสกับวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ แต่เบื้องต้นก็ใช้นักน้อยสันโดษเป็นการกําจัดความทุกข์ที่เกี่ยวกับการแสวงหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงปากเลี้ยงทองแล้วก็อย่าไปหาความทุกข์จากการไปแสวงหาลาบยกสารเสริญสุขเป็นความสุขปรอมเป็นความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์เอาไว้ ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีความทุกข์เวลาที่ลาบยศเสริญสุขเสื่อมลงไปหรือหมดไป <Yeah. S 2> ไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันได้ดีที่สุด <Yeah. S 2> เกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่เพียงอย่างเดียวก็พอเ <Yeah. S 2> พราะเรายังต้องมีร่างกายไว้ในการศึกษาในการปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อให้เราได้วิบุติหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสมบูรณ์เบ mm ื hmm. ้องต้นเราก็มาดับความทุกข์จากการหาปัจจัยสี่กัน mm hmm. ให้เรามีความมากน้อยหาน้อยน้ยต้องการน้อยนอยเพราะมันต้องการน้อยมันก็สบายกว่าต้องการมากต้องการมากก็ต้องหามหามากเหนื่อยมากต้องการน้อยก็หาน้อย mm hmm. ถ้าเราอยากจะดูตัวอย่างของความมากน้อยนี้ก็ไม่ต้องดูที่ไหนหรอกดูที่พระอริยสงสาวกท่ธ์าแล้วกันดูพระพุทธเจ้าเป็นเห็นไหมไมหาลาภโยศรัสรินสุขแล้วเป็นยังไงไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเขาดีลถส่งเสียงดังลั่นไปหมดเพื่อความสุขของตน แต่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนี่ไม่สนใจแล้วพอชาวบ้านเขาต่อต้านก็ไปโกรธเขาอีกไปทุกขกับเขาอีกเนี mm ่ย hmm. ปัญหาของโลกเราทุกวันนี้ mm hmm. ก็จากการที่เราไปหาราบยศสารเสริญสุขกัน mm hmm. แล้วก็ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้ต่อกันละกันเ mm hmm. พราะเราไม่รู้ว่าการหาราบยศสารเสริญสุขนี้ เป็นการหาความทุกข์กันเป็นการหาเรื่องหาราวกันเพราะเรายังไม่ได้ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนความสุขที่แท้จริงก็อยู่ที่วิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์นี่แหละถ้าไม่มีความทุกข์แล้วไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนพอไม่มีความทุกข์แล้วความสุขในใจมันจะโผล่ขึ้นมาเอง แล้วก็เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเพียงแต่กำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากเช่นความมากๆความอยากได้นู่นอยากได้นี่ความอยากได้ลาบยศเสริญ ส, สุขนี่ให้มันหมดไปเท่านั้นเองแล้วความสุขอันประเสริฐอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากวิมุติการดับของความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมา โดยอัตโนมัติมันเป็นเหมือนกับแสงสว่างกับความมืดความสุขความทุกข์ของใจเหล่านี้มันเหมือนแสงสว่างกับความมืดมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้ถ้ามันมืดมันก็จะไม่สว่างถ้ามันสว่างมันก็จะไม่มืดอันใดถ้าใจของเราทุกข์ความสุขใจมันก็ไม่มี ถ้าใจของเราไม่ทุกข์ความสุขใจก็จะมีขึ้นมาเอง <Yeah. S 1> งั้นเพียงแต่เรามาคอยกาจัดความทุกข์เท่านั้นเองน <Yeah. S 1> ะความทุกข์มันก็อยู่ในใจของเรา <Yeah. S 1> เกิดจากใจของเราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมา <Yeah. S 1> เราไม่ต้องไปวุ่นวายกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาให้ความสุขกับเรา <Yeah. S 1> uh. เพราะว่ามันเป็นความสุขปลอม เป็นความสุขที่จะต้องสิ้นสุดลงจะต้องหมดไปเวลามันหมดไปความทุกข์มันก็จะเข้ามาแทนที่ทันที <Yeah. S 1> <c oughs> ฉะนั้นอย่าไปยินดีกับการหาราบยศเสริญสุขกัน <Yeah. S 2> แล้วก็ให้ยินดีกับการยินดีกับความมากน้อยสันโดษในเรื่องของปัจจัยสี่ yeah. ถ้าอยากจะดูว่าความมากน้อยสันโดษในปัจจัยสี่เป็นยังไงก็ดูวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายผู้ที่ได้วิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยถ้าเราอยากจะได้วิมุติเราก็ต้องดูวิธีที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกท่านปฏิบัติอย่างไรกับปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ท่านใช้หลักมากน้อยสันโดษ เช่นรับประทานอาหารแค่วันละมือ้อสันโดษก็ยินดีตามมีตามเกิดเกิดให้ไปบินฑบาตไปบิณฑบาตแล้วแต่จะได้อะไรมาก็ยินดีกับอาหารที่ได้มาไม่ต้องมานั่งคิดว่าวันนี้จะกินอะไรดีมื้อกลางวันจะกินอะไรดีมื้อเย็นจะไปกินที่ไหนดีร้านไหนอร่อยร้านไหน มีบรรยากาศดีอันนี้เป็นเรื่องการหาความทุกข์กันเพราะเวลาไม่มีเงินจะไปเกตข้างนอกก็ทุกข์กันละแต่ถ้ายินดีตามมีตามเกิดวันนี้ไม่มีเงินอยู่บ้านกินข้าวกับน้ำปลาคุกน้ำปลาก็ได้กินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันจบนก็เท่านั้นเพราะเป้าหมายของการกินก็พลังับความหิวของร่างกายนั่นเอง เพื่อพยุงรักษาร่างกายให้อยู่ต่อไปได้ดูสันโดษของพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้ถือธุดงควรสสำหรับพระภิกษุนักบวชผู้ปรารถนาวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์นี่ต้องมีความมากน้อย สันโดดในปัจจัยสี่คือให้ฉันมื้อเดียวแล้วก็ฉันในบาปเพื่อจะได้ไม่ต้องมาทุกขกับการล้างถ้วยล้างชามกันญาโยมเวลากินอย่นี่โอ้ใช้ถ้วยจานกันเยอะแยะไปหมดเวลากินเสร็จแล้วก็กองถ้วยชามกันไว้ไม่มีใครอยากจะล้างกันเพราะมันเป็นทุกข์กัน เวลากินไม่คิดถึงเวลาจะล้างมัน <Yeah. S 1> ถ้วยชามนี้พอกินเสร็จมักงกไว้ <Yeah. S 1> เต็มอ่างเลย <Yeah. S 1> ถ้ามักน้อยแบบพระสงฆ์องค์จ้าฉันในบาท <Yeah. S 1> ใช้บาทนี้ได้หลายประโยชน์หลายทางด้วยกันใช้บาทเป็นการไปหาอาหารมาพอ <Yeah. S 1> ได้อาหารมาแล้วก็ใช้บาท yeah. เป็นภาชนะรับประทานเลยใส่อาหารที่หามาได้ใส่เข้าไปในบาตแ <c oughs> เราก็รับประทานไม่ต้องไปแยกแบ่งอาหารขาวหวานว่าต้องใส่จานนี้ใส่จานนั้น <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวมันก็เข้าไปรวมกันในท้องอยู่ดีอาหารทุกชนิดที่เรากินนี้ที่เราแยกกันว่า ต้องกินของข้าวก่อนกินของหวานทีหลังกินขนมทีหลังเครื่องดื่มทีหลังเดี๋ยวมัน <c oughs> ไปรวมกันที่ไหนอนะ่ะ <c oughs> มันก็ไปรวมกันในท้องนั่นแหละนั้น <c oughs> สำหรับพระสงฆ์นี่ท่านต้องการที่จะสอนจิตสอนใจท่านก็เลยให้ใช้บาตรนี้เป็นเหมือนท้องให้ <c oughs> คิดเสียวว่าต่อไปอาหารที่จะกินเข้าไปนี้มันก็ต้องรวมกันในท้อง ถ้าต้องการกินเพื่อไม่มีความทุกข์กับเรื่องของกินก็ใส่อาหารให้เข้าไปในบาทแล้วก็คลุกมันให้มันเป็นอาหารจานเดียวเลยเอาของหวานของข้าวใส่รวมกันเข้าไปในหมดใส่ข้าวเข้าไปใส่แกงเข้าไปใส่แกงจืดเข้าไปใส่ขนมบัวลอยไข่อะไรใส่เข้าไปผ ล, ลไม้ปเปลือกใส่เข้าไป อนมเค้กใส่เข้าไปปลาท่องโกใส่เข้าไปมีอะไรใส่มันเข้าไปแล้วก็คนมันไปเหมือนกับข้าวหมาเน่ะ <c oughs> อ่ะอร่อยนะอาหารรถเด็ดเนี่ยไม่มีไม่มีเมนูที่ไหนในโลกนี้ <c oughs> ลองกินดูสักวันเสร็จแล้วะติดใจเนี่ยกินมาต้องสามสามสี่สิบปีแล้วเนี่ยไปกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเหมือนกับกินในบาท ไปกินญาติบ้านยาติโยมหอยโหญาติโยมจาดอาหารจานนู้จานจานี้มากินวุ่นวายไปหมดยุ่งยากสู้สายรวมมันไปในบาทดีกว่ากินสบายแล้วก็จะไม่ทุกข์กับอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เพราะมันก็มันจะไปรวมกันเป็นอาหารชนิดเดียวนี่คือการกินแบบไม่ทุกขนะ์เนี่ย กินแบบนี้จะไม่ทุกข์กับเรื่องอาหารถ้ากินแบบเลือกกินนี่จะทุกข์วันนี้เบื่ออาหารชนิดนี้กินไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนอาหารชนิดใหม่ต้องเปลี่ยนที่กินใหม่นทุกข์กับการหาที่กินทุกข์กับหาอาหารแปลกๆใหม่ๆมากินอยู่เรื่อยๆกินเท่าไหร่เดี๋ยวก็เบื่อไปล้านี้สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เบื่อกินอาหารชนิดนี้ไปสักพักเดี <Parks gerne pressure> ๋ยวก็เบื่อ เดี๋วก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ยงั้นไม่มีวันสิ้นสุดถ้าปล่อยให้กินตามความอยาก<ม>ก็จะต้องทุกข์ต้องวุ่นวายกับการหาที่กินหาอาหารกินช น, ชนิดอาหารที่กินกันแทนที่จะกินแบบตามมีตามเกิด <c oughs> สําหรับญาติโยมก็อาจจะบอกว่าไม่ได้เป็นพระไม่ได้บิณฑบาตก็ไม่เป็นไรเวลาไปร้านอาหารก็บอกเด็กให้มึงจัดอาหารมาให้กูหน่อยไม่ต้อง อะไรก็ได้มจัดมาให้กูกินก็แล้วกันสองสามอย่างอย่างนี้ก็เป็นเหมือนพระนะเป็นเหมือนบินธบาตนะให้ให้คนขายเป็นคนจัดมาให้ก็แล้วกันอยากจะจัดอะไรมาก็จัดมากินเพื่อดับความหิวของร่างกายแค่อาหารความสุขแค่ปลายลิ้น น, นั่นเองกินแบบไม่ทุกข์ดีกว่าคือหากกินมันได้ทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งไหนที่เขาเหนื่อยเขากินได้เราก็ต้องกินได้ถ้ากินไม่ได้ลองอดข้าวดูสักสองสามวั น, นอะไรก็กินได้หมดคนที่ไปอดในป่าให้เขาเนี่ยบางทีเนื้อคนยังเอามาย่างกินกันเลยคนตายถ้าไม่มีอาหารกินขึ้นมาจริงๆแล้วมองไป ม, งมามาเนื้อคนก็มาหน้ากินขึ้นมาเวลาอดข้าวมากๆนี่ เห็นข้าวเปล่าก um> ็อร่อยนะไม่ต้องมีกับก็ได้นี่คือความวิธีฝ <Hey ึกขัดความมากน้อยก็เราจะได้กินง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ใจกับเรื่องของการกินพระพุทธเจ้าถึงสอนให้พระออกบิณฑบาตทุกวันให้ยินดีตามมีตามเกิด ญาติโยมให้อะไรมาก็กินไปตามมีตามเกิดเราก็ให้กินน้อยๆไม่ให้กินมากเกินไปกินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอ <c oughs> เพราะกินมากมันก็จะทําให้มีปัญหาต่อการปฏิบัติธรรมกินมากก็จะทําให้เกิดความเกลียดคราน <c oughs> เกิดความว่วงเหงาหาวนอน ทำให้เดินจงกรมก็ไม่ไหวนั่งสมาธิก็สับประกแต่ถ้ากินน้อยกินพอให้มันอิ่มแต่ไม่อิ่มมากเกินไปกินเพื่อดับความหิวอย่าว่ากินเพื่อให้มันอิ่มเลยกินเพื่อดับความหิวที่เราเริ่มรับเรากินไปตอนต้นเราก็หิวอาหารเราก็กินไปกินไปแล้วสังเกตดูพอรู้สึกว่าความหิวหายไปแล้วก็หยุดกินซะไม่ต้องรอให้มันอิ่มค่อยหยุด แล้วก็ดื่มน้ำถ้าอยากให้มันอิ่มก็ดื่มน้ำเปล่าเข้าไปแทนดื่มน้ำเข้าเปล่าเข้าไปถ้าแก้วสองแก้วมันก็จะรู้สึกอิ่มขึ้นมาทันทีถ้ากินแบบนี้แล้วมันจะไม่ง่วงมันจะไม่ขี้เกียจเพราะว่ามันไม่มันไม่มากเกินไปมันไม่อิ่มกินแป๊บเดียวพอน้าที่เราดื่มเข้าไปเดี๋ยวมันก็ละลายออกจากร่างกายไปมันก็ไม่มันก็ไม่ง่วงนอน นี่คือตัวอย่างของการกินของผู้ที่มีความรักน้อยสันโดษ<ม>คือพระภิกษุสงฆ์<ม><ม>แล้วก็เครื่องนุ่งห่มก็ให้ใช้ของที่ถูกที่สุดเพราะของถูกมันจะได้ไม่ต้องเสียเงินมากมันจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับการซื้อหาเงินมาซื้อของแพงๆใส่กัน เสื้อผ้ามันจะแพงมันจะถูกมันก็เหมือนกันมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันมันทำหน้าที่อันเดียวกันหน้าที่ของเสื้อผ้ามีมไว้ทำไ ม, มหน้าที่ของเสื้อผ้าก็มีไว้เพื่อปกปิดอวัยวะต่างๆของร่างกายนี่<ม>แล้วก็ป้องกันภัยที่จะมากระทบกับร่างกาย<ม>เช่นมแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆ<ม>และ ความหนาวเย็นของอากาศที่เราจะต้องมีเสื้อผ้าเวลาอากาศเย็นนี่เราต้องสวมเสื้อผ้าเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายมันเย็นจนเกินไปเพราะถ้าร่างกายเย็นแล้วเดี๋ยวเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้นี่คือหน้าที่ของเสื้อผ้ามีไว้ปกปิดร่างกายปกป้องร่างกายไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเสื้อผ้าราคาแพง พระพุทธเจ้าสอนให้พระในสมัยพระพุทธกาลนี้ไปหาผ้าฟรีมาทําเป็นจีวรผ้าที่เป็นผ้าฟรีก็คือผ้าที่เราเรียกว่าบางสกุลนี่ยผ้าบางสกุลนี้คือผ้าผ้าป่าผ้าป่าช้าผ้าที่เขาเอาห่อศพแล้วเอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าอันนี้แหละคือผ้าที่พระพุทธเจ้าใช้ในสมัยที่พระพุทธเจ้าบําเพ็ญ ่ารใช้ผ้าบางสกุลบางสกุลนี้เป็นผ้าที่เขาใช้หอ่อศพเป็นธรรมเนียมของของคนสมัยนั้นเวลาคนตายเขาจะเอาผ้าหอ่อศพแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าชา้า mm. เขาจะไม่มีการฝังหรือการเผาปล่อยให้มันกลับคืนสู่สภาพเป็นรีไซเคิลคนสมัยก่อนนั้นเขาโหทันสมัยยิ่งกว่าของพวกเรา เรากำจัดร่างกายแบบเรียบง่ายไม่ต้องใช้ความยุ่งยากพวกเราสมัยนี้ต้องสร้างมงสร้างเมนกันต้องเสียค่าไฟฟ้าอย่างนี้เมนใช้ไฟฟ้าเครื่องเผาใช้ไฟฟ้าเมื่อก่อนก็ต้องใช้ถ่านใช้ฟืนมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะคนสมัยก่อนเขาเอาแค่ผ้ามาหอ่อแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าชา้าก็พอแนละ้ว บางทีก็ปล่อยให้เป็นอาหารของหนอนของสัตว์เนื้อคาน ข, ของสุนัขของแรงของกาไป <c oughs> อันนี้พระในสมัยนั้นก็ไปหาผ้าเหล่านี้มาเพราะเป็นของฟรีไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองซื้อไม่ต้องไปรบกวนญาติโยมให้ขอเงินไปเพื่อซื้อผ้ามาตัดเย็บจีวร พระสมัยพระพุทธเจ้านี้ใช้ผ้าป่าผ้าบางสกุลนี้เรียกว่าผ้าป่าวงเล็บช้า <mm เราสมัยนี้เราตัดคำว่าช้าออกไปความจริงมันเป็นผ้าป่าช้าผ้าที่เก็บมาจากป่าช้าส <mm มัยนี้เราเลยเรียกสั้นๆว่าเป็นผ้าป่า <mm ยังมีธรรมเนียมอยู่มีการชักผ้าป่าเวลาคนตายเห็นไมก็เอาผ้าไปวางไว้ที่หีบศพ แล้วให้พระไปชักผ้าอันนี้ยังไม่เป็นผ้าบางสกุลจริงถ้าเป็นผ้าบางสกุลจริงต้องเอาผ้าที่ห่อศพนี้เอกมาให้พระชักกันนแต่สมัยนี้เขาไม่ทํากันอันนี้แหละคือให้ใช้ของถูกที่สุดพูดยังไง <c oughs> ของถูกที่สุดแต่ใช้ประโยชน์ได้ใช้งานได้ ถึงแม้มันจะมีเลือดมีน้ำหนองติดอยู่ก็เอามาซักมาล้างมันได้ <Yeah. S 1> ถึงแม้มันจะมีรอยด่างบ้าง <Yeah. S 1> ก็ไม่เป็นไร <Yeah. S 1> เพราะผ้าของพระนี้ก็เป็นผ้าที่ไม่ต้องการความสวยงามอยู่แล้ว <Yeah. S 1> ก็เพียงแต่เอามาต้มต้มมาซักมาต้มให้มันให้กำจัดสิ่งที่ติดอยู่ในผ้านั้นออกไปก็พอ แล้วก็เอามาตัดเย็บเป็นผ้าไตรสามผืนผ้าไตรจีวรพระที่มักน้อยสันโดษนี่ท่านจะใช้ผ้าแค่ผ้าสามผืนนั่นผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนแล้วผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนเป็นสามผืนผ้าห่มกันหนาวนี่ก็คือผ้าที่ท่านพ้าอยู่บนบ่าเนี่ยที่ญาติโยมเห็นเวลาพระไปทําพิธีนี่จะถามว่าให้พระทําไมต้องพ้าผ้าอยู่บนไหล่ด้วย เพราะท่านต้องรักษาผ้าทั้งสามผืนนี้เวลาท่านไปไหนนี้ต้องเอาติดตัวไปด้วยเพราะในสมัยพุทธกาลนี้ผ้าหายากถ้าเอาผ้าแขวนไว้ในป่าผ้าส่วนใหญ่สมัยก่อนจะอยู่ตามป่ากันถ้าเกิดไปธุระที่ไหนแล้วไม่เอาผ้าอีกผืนไปดีไม่ดีกลับมาอาจจะถูกขโมยขโมยไปก็ได้ หรือบางทีก็มีพวกลิงมันโซนมันก็อาจจะมามาดึงมาลากไปยันพระพระวินัยคือพระพุทธเจ้าก็เลยสั่งว่าพระไปไหนนี่ต้องรักษาผ้าทั้งสามผืนนี้ไว้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามพระท่านก็เลยต้องถึงแม้ไม่ได้ห่มก็ต้องอมาพาาไว้บนบ่าผ้าที่ผาดไว้บนบ่านี้เป็นผ้าห่มกันหนาว ความจริงสมัยเริ่มแรกของพระนี่มีผ้าแค่สองผืนเท่านั้นเองมีผ้านุ่มกับผ้าห่มก พ, พอแต่ต่อมามีผู้ที่มาบวชใหม่เป็นผู้ที่เห็นหมนี่ยหาความสุขกันไม่สนใจว่าชาวบ้านเขาจะเป็นยังไงแล้วพอไปเตือนไปห้ามก็โกรธ ผ้า อ, อันนี้ก็มีไว้เพื่อนุง่งห่มปกป้องรักษาร่างกายให้ใช้ของที่ถูกที่สุดเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาเงินหาทองมาเพราะเราต้องการเอาเวลามาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั่นเองเราก็เลยต้องใช้ความมากน้อย สันโดษพ mm hmm. ระพุทธเจ้าก็สอนให้พระเนี่ยใช้ผ้าแบบประหยัดที่สุด mm hmm. สมัยแรกๆนี้มีแค่สองผืนเ mm hmm. พราะเป็นยุคของพ้าอรหันกัน mm hmm. สมัยที่บวชสรงประกาศพระธรรมใหม่ๆนี้ผู้ที่มาบวชนี้ส่วนใหญ่เป็นพาา้าอรหันมีจิตใจที่เข้มแข็ง mm hmm. ทนต่ออากาศหนาวเย็นได้ mm hmm. มีพ้าผม เื้นเดียวก็พอแต่ต่อมามีพวกที่มีจิตศรัทธาอยากจะบวชแต่ยังไม่ได้บรรลุถัรจิตใจยังออดไว้ต่ออากาศ mm. เวลาเกิดอากาศหนาวเย็นผ้าห่มพื้นเดียวก็ไม่พอ mm. ก็เลยไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าขอเพิ่ม mm. พระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาเช่ mm. นตอนหัวค่ำตอนช่วงหกโมง ถึงสี่ทุ่มก็ทรงนั่งภาวนาด้วยการห่มผ้าผืนเดียวพอถึงสี่ทุ่มก็รู้สึกว่าผ้าผืนเดียวนี้เริ่มไม่พอต่อการป้องกันความหนาวก็เลยเอาผ้าอีกผืนมาห่มถึงตีสองพอถึงตีสองก็รู้สึกไม่พอยังหนาวเย็นอยู่ก็เลยเอาผ้าอีกผืนมาเป็นสามผืนด้วยกัน ถึงจะพอเพียงต่อการต้านความหนาวของร่างของอากาศได้ mm hmm. ก็เลยสั่งให้ทําผ้าผ้าห่มกันหนาวเพิ่มมาอีกผืนหนึ่งแต่ทําแบบสองชั้นเป็นเหมือนสองผืนมาประกบกัน mm hmm. ผ, ผ้าที่ผ้าที่พระท่านพาดอยู่บนไหลนี้เป็นผ้าห่มสองชั้นด้วยกัน mm hmm. เรียกว่าผ้าสังขติ <c oughs> <c oughs> เป็นผ้าห่มกันหนาว <c oughs> มีท่านี้ก็พอเพียงต่อต่อการนุ่งห่มสําหรับร่างกายแล้วพระท่านเวลาสมัยก่อนนี้ท่านอยู่ท่านอยู่ตามป่าตามเขากันที่อยู่ปัจจัยที่สามคือที่อยู่อาศัยท่านก็ให้อยู่แบบตามมีตามเกิดสันโดษอยู่ตามร่มไม้อย่างญาติโยมบางท่านเนี่ยเขไปนั่งอยู่ใต้ในป่าแล้วร่มเย็นไ ม, ไม่ต้องมีหลังคาไม่ต้องปลูกบ้านปลูกช่อง อยู่ภายใต้ร่มไม้นี่ก็อยู่ได้ yeah. mm hmm. อาจจะทำเพิงจากติ่งไม้สำหรับเวลาที่มีฝนตก mm hmm. แต่อยู่กันแบบง่ายๆอยู่กันพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอ mm hmm. ผู้ที่ต้องการวิมุติหลุดพ้นนี้ต้องการอยู่ที่สงบที่เงียบที่ห่างไกลจากเสียงกึกกึกโครมอย่างที่เมื่อกี้เราได้ยินกัน ถ้าไปนั่งสมาธิแล้วเดี๋ยวเสียงพรง์เสียงเพลงโผล่ ข, ขึ้นมานี้ใจมันจะเต้นไปกับเสียงเพลงเนี่มันจะไม่ยอมสงบนะผู้ที่ต้องการความสงบเพื่อมาระ ง, งับความทุกข์เพื่อดับความทุกข์นี้ต้องใช้ความสงบดับความทุกข์ก็ลองไปต้องไปอยู่ที่มันห่างไกลจากเสียงรกระทึกคึกโคลนต่างๆก็ท่านก็สอนให้อยู่ตามป่าตามเขากันหรืออยู่ตามถ้าอยู่ตามเนื้อผา พอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอที่เหล่านั้นเป็นที่เหมาะต่อการเจริญวิมุตติธรรมคือการดับของความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจนี่คือที่อยู่อาศัยของพระสมัยพระพุทธการท่านไม่มีกุฏิอย่างสมัยนี้กันกุฏินี้มาเกิดตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรูดแล้วก็มีคนศรัทธาสร้างกุฏิถวายให้เท่านั้นเอง แต่ก็มีพระอีกมากที่ไม่มีกุติอยู่ท่านก็ไม่เดือดร้อนเพราะท่านยินดีกับการอยู่ตามคนไมมเพราะมันร่มเย็นสบายไม่ต้องมาคอยดูแลรักษาป้องกันมีกุติก็ต้องมาคอยมากวาดมาถูมาคอยรักษาต้องมาคอยซ่อมมาบูญลนะะอะไรต่างๆก็ทําให้เสียเวลาต่อการปฏิบัติธรรมกัน อยู่ต่างโคนไม้นี่แสนจะสบายนี่ก็คือปัจจัยสี่ของพระสามอย่างอย่างแรกก็บินตบาดอย่างที่สองก็ใช้ผ้าบังสกุลอย่างที่สามก็ให้อยู่ต่างโคนไม้ลุกขมลาเสนาสนังและอย่างที่สี่ยารักษาโรคสมัยก่อนคน สมัยพุทธกาลนี้เขานิยมดื่มน้ำปัสสาวะเป็นยารักษาโรคเอาน้ำปัสสาวะนี้มาดองกับมกับมะขามป้อมหรืออะไรแล้วก็ดื่มเป็นยาได้เวลาเจ็บท้องเจ็บไข้ได้ป่วยดื่มกันเพื่อรักษาโรคกันสมัยก่อนเขาไม่มีโรงพยาบาลไม่มีอยู่ไม่มียาอย่างสมัยนี้ เขาก็เลยใช้ใช้ยาพื้นฐานของชาวบ้านก็คือการดืม่มยาดองด้วยน้ำมูดก็รักษากันได้อยู่กันได้เพราะท่านก็ยอมรับกันว่าร่างกายมันไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วถ้ารักษาไม่ได้มันก็ต้องตายไป จะมียาวิเศษขนาดไหนมันก็ถึงเวลามันก็ต้องตายอยู่ดีอั้นท่านไม่ไม่ต้องการความวุ่นวายคือพูดง่ายงเพราะความวุ่นวายคือความทุกข์ใจต้องการให้ใจสบายด้วยการตรงอนิจจงว่าร่างกายเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทั้นก็เลยไม่ค่อยไปกังวลกับมันมากมายดูแลไปตามอัตภาพ สมัยก่อนเนี่ยปัจจัยสี่ของพระนี่ก็มีอยู่สี่อย่างสมัยนี้พระพุทธเจ้าก็ยังสั่งให้สอนอยู่เวลาผ้าบวดใหม่ปวดเสร็จแล้วพ้าอุปชาผู้บวชให้กับพระนี้จะต้องสอนปัจจัยสี่ของพระคือสอนให้บิณฑบาตสอนให้ใช้ผ้าบางสกุลสอนให้อยู่ตามโคนไม้แล้วสอนให้ดื่ม ยาดองดองด้วยน้ํามูดเป็นยารักษาโลก<ม>เพราะว่าของเหล่านี้มันเป็นของที่ถูกหาหาง่ายไม่ต้องเสียเงินเสียทองนั่นเองจะ<ม>ได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการเลี้ยงดูร่างกายมากจนเกินไปจนทําให้ไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมกันญ<ม>าติโยมส่วนใหญ่นี้มักจะบอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมกัน เพราะต้องไปหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันเพราะการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของญาติโยนี้มันไม่ได้เป็นแบบมากน้อยสันโดษมันเป็นแบบมากมากแล้วก็จูจจ้จี้จุกจิกไม่ได้ยินดีตามมีตามเกิดยินดีตามความอยากอยากได้เสื้อผ้าแบบนั้นอยากได้เสื้อผ้าแบบนี้อยากกินอาหารแบบนั้นแบบนี้อยากรักษาโรคตามโรงพยาบาล น, นั้นโรงพยาบาลนี้ รักษาโรคด้วย30บาทมันก็ไม่เท่เหมือนกับไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชนมันก็เลยวุ่นวายกันวุ่นวายกับการหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันเลยไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาปฏิบัติธรรมกันผู้ที่ต้องการศึกษาปฏิบัติธรรมผู้ที่ต้องการวิมุติหลุดพน้นนี้จำเป็นต้องมีมากน้อยสันโดษในการแสวงหาปัจจัยสี่ <c oughs> การใช้ปัจจัยสี่ขอให้เราใช้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจำเป็นด้วยความต้องการของร่างกายแล้วจิตใจของเราจะได้ไม่วุ่นวายแล้วก็จะมีเวลาว่างมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันนี่แหละคือสิ่งแรกที่พวกผู้ที่ต้องการวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้จะต้องปลูกฝังอยู่ในใจ คือความมากน้อยสันโดษเสื้อผ้านี้มีซักพออยู่ได้ก็พอความจริง ม, มีแค่สามชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักแล้วชุดหนึ่งไวส้สาหรับเผื่อถ้าซักแล้วยังไม่แห้งก็ยังมีสารองไว้อีกชุดหนึ่งมีสามชุดก็พอรองเทาา้าก็มีคู่เดียวก็พอเท้าเราก็มีคู่เดียวไม่ใช่หรือทำไมต้องมีรองเท้าหลายคู่ด้วย เวลาใส่รองเท้าก็ใส่ทีละคู่อยู่ดีไม่ได้ใส่ทีสิบคู่นี่ก็มีคู่เดียวก็พอถ้ามันขาดหรือมันใช้ไม่ได้ค่อยค่อยหามาใหม่ถ้าเราอยู่แบบนี้ได้โอรับรองได้ว่าเราไม่ต้องวุ่นวายกับการหาเงินหาทองกันอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้บ้านก็เช่าเขาอยู่ก็ได้ไม่ต้องมีบ้านเองก็ได้ตายไปก็เอาไปไม่ได้บ้าน ก็ทิ้งให้คนอื่นนหาเงินมาถ้าเป็นแทบตายสร้างบ้านใหญ่โตหรูหราตายไปก็คนอื่นก็เอาไปกินหมดเอาไปใช้หมดโดยเอาอะไรไปไม่ได้เลยเอาแต่ความวุ่นวายใจไป<ช><ช>เวลาไปต้องเอาความสงบไปเอาความพ้นทุกข์ไปอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราไปได้แต่เราไม่เอาไปกันเรากลับเอาความวุ่นวายไปเอาความทุกข์ใจไปกัน พอเราหลงกับการมาหาปัจจัยสีให้กับร่างกายแบบไม่มีขอบมีเขตไม่มีเหตุมีผลหาตามอารมณ์หาตามรสทนิยมเห็นเขามีบ้านใหญ่ก็ต้องมีตามเขาเห็นเขามีอะไรก็ต้องมีตามเขา <c oughs> โดยไม่ได้ดูผลกระทบต่อจิตใจเลยว่าเป็นอย่างไรบ้าง จิตใจนี่วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาคอยดิ้นรนหาเงินหาทองหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้แต่แทนที่จิตใจจะมีความสุขกับหาความทุกข์มาให้กับจิตใจ <Yeah. S 2> เพราะเมื่อมีอะไรแล้วก็ต้องคอยดูแลรักษาน <Yeah. S 2> มีอะไรก็ต้องทุกกับสิ่งที่มีมีรถก็ต้องทุกกับรถต้องคอยซ่อมรถคอยหาที่จอดรถหาที่เก็บให้ปลอดภัย ต้องซื้อประกันต้องเวลาเสียก็ต้องเอาเข้าอู่ซ่อมเวลาสกรปรกก็ต้องคอยล้างให้มันอีก mm hmm. ถ้าไม่มีรถนี่ mm hmm. ก็ไม่มีความทุกข์เหล่านี้ตามมา mm hmm. ใช้รถแท็กซี่ดีกว่าง่ายกว่ารถสงแถวรถรถตู้รถรถโดยสาร mm hmm. ไม่มีทุกข์กับรถใช่ไห mm hmm. จ่ายค่าโดยสารปั๊บก็ไปไหนได้แล้วมีคนขับให้ด้วย mm hmm. มีรถก็ต้องขับเองอีก mm hmm. ถ้าอยากจะให้มีคนขับก็ต้องจ้างคนขับมาขับให้ต้องเสียเงินทองเพิ่มขึ้นไปอีกดังนั้นถ้ามีน้อยแล้วมันก็จะทุกข์จะน้อยมีมากทุกข์มันก็จะมากมีรถคันหนึ่งก็ทุกแค่หนึ่งเท่ามีสองคันก็ทุกสองเท่ามีบ้านหนึ่งหลังก็ทุกหนึ่งเท่ามีบ้านสองหลังก็ทุกสองเท่ามีสามหลังก็ทุกสามเท่าเพราะมันจะต้องคอยดูแลรักษา คอยจ่ายมีคอยมีค่าใช้ใจ่ายที่จะต้องจ่ายอยู่ตลอดเวลาอย่า mm hmm. งการมีมากนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับจิตใจ mm hmm. การมีมากนี้ทำให้จิตใจมีเรื่องมากมีเรื่องที่จะต้องทุกข์มาก mm hmm. ถ้ามีน้อยก็ทุกข์น้อยอย่า <c oughs> งนั้นผู้ที่ต้องการวิมุติคือหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ต้องไม่มีอะไรเลยภายนอก พวกที่ไปบวชนี่เขาไม่เอาอะไรไปบวชไปกับเขาเลยเขาทิ้งหมดบ้านก็ทิ้งสามีภรรยาก็ทิ้งลูกหลานก็ทิ้งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ทิ้งยศตำแหน่งอะไรต่างๆก็ทิ้งหมดเลยเพราะของพวกนี้มันเป็นกองทุกข์ทั้งนั้นคนที่ต้องการกำจัดความทุกข์นี้เขารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เขาทุกข์กัน ถ้าเขาต้องการไม่มีความทุกข์เขาก็ต้องไม่มีอะไรเลยทิ้งทุกอย่างภายนอกก่อนทิ้งทิ้งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทิ้งยศทิ้งตำแหน่งทิ้งครอบครัวทิ้งสามีภรรยาบุตรธิดาแล้วก็ไปไปปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างกําลังเพื่อจะต้องทิ้งสิ่งที่ต้องทิ้งอีกต่อไปคือ ร่างกายนี้ก็ต้องทิ้งร่างกายนี้ก็ไม่ได้เป็นเราเป็นของเราร่างกายก็เป็นเหมือนทรัพสมบัติชิ้นหนึ่งของใจเท่านั้นเองถ้าใจยังไปครอบครองยังไปยึดไปติดอยู่ใจก็ยังจะต้องทุกข์กับร่างกายอยู่ผู mm. ้ที่ต้องการที่จะไม่มีความทุกข์เลยก็ต้องมาทิ้งร่างกายด้วยในที่สุด <c oughs> ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเลี้ยงดูมันให้มันยุ่งยากให้มันวุ่นวาย ให้มันเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเลี้ยงมันแบบสบายสบายอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ให้มันไปเพราะเราต้องการจะทิ้งมันอยู่แล้วไม่ได้ต้องการจะเก็บมันไว้เพราะยิ่งเก็บมันไว้ยิ่งทุกข์นะเวลาร่างกายเจ็บนี่อยากจะให้มันหายก็ทุกข์แล้วอยากจะให้มันไม่ตายก็ทุกข์แล้วแต่ถ้ารักษามันไปตามมีตามเกิดมันอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็สบายจะได้ไม่ต้องมา มาทุกข์กับมันอีกต่อไปไม่ต้องมาเลี้ยงมันไม่ต้องไปหาปัจจัยสี่มาให้กับมันคนที่มีธรรมแล้วคนที่รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์แล้วนี้จะไม่มีความอยากที่จะมีร่างกายมีร่างกายแล้วก็ต้องทุกข์กับมันเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็เจ็บเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีต่อให้เลี้ยงดูอย่างไรดูแลให้มันดีอย่างไรก็ตามมันก็หนีความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้อยู่ดี แล้วไปวุ่นวายกับการเลี้ยงดูร่างกายทําไมไปทุกข์กับความกลัวตายทําไมทุกข์กับความกลัวเจ็บทําไมทุกข์กับความกลัวความแก่ทําไมในเมื่อมันเป็นสิ่งที่เราห้ามมันไม่ได้อยู่ดีปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายไปถ้าเราต้องการวิมุตติคือการไม่มีความทุกข์เราต้องไม่มีอะไรที่จะมาให้เราทุกข์ถ้ามีเราก็ไม่ยึดไม่ติด เรื่อร่างกายนี้เราจะให้มันจากเราไปนี่เราทําไม่ได้เราต้องรอให้มันตายเท่านั้นมันถึงจะหมดเราถึงจะหมดภาระกลับมันไปไปฆ่ามันก็เป็นบาปเป็นฆ่าไปฆ่ามันก็ไปทําให้ทุกข์ใจขึ้นมาอีกฆ่าตัวตายนี้ก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจไม่ใช่เป็นการดับความทุกข์ใจคนบางคนเวลามีความทุกข์ใจมากๆก็คิดว่าฆ่าตัวตายแล้วความทุกข์ใจจะหาย ไม่หายหรอกไปเพิ่มความทุกข์ใจขึ้นอีกชั้นหนึ่งทุกข์กับเรื่องราวต่างๆแล้วยังมาทุกข์ ก, กับการฆ่าตัวตายอีกเนี <Yeah. S 2> ย่ยฉะั้นการฆ่าตัวตายก็ฆ่าไม่ได้ร่างกายถ้ามันยังไม่ตายก็ต้องอยู่กับมันไป <Yeah. S 2> ถ้ามันจะตายก็อย่าไปอยากให้มันอยู่ <Yeah. S 2> เพราะเวลาอยากให้มันอยู่มันก็จะทาให้เราทุกข์ <Yeah. S 2> เวลามันอยู่แล้วอยากให้มันตายมันก็จะทำให้เราทุกข์อีก พราความทุกนี้เกิดจากความอยากของเรานี่ไม่ได้เกิดจากอะไรเหตั้นถ้ามันยังอยู่ก็ต้องอยู่กับมันไปก็เลี้ยงมันไปเหมือนเลี้ยงหมาตัวหนึ่งก็แล้วกันให้ข้าวมันกินเวลาไม่สบายก็ให้ยามันมันอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ให้มันไปเพราะมันไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นมันเราเป็นคนเลี้ยงร่างกายเราไม่ต้องการความทุกจากร่างกาย เราก็เลยต้องอย่าไปหวังอะไรจากร่างกายเพราะหวังไม่ได้หวังให้ร่างกายไม่แก่ไม่ได้หวังให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ได้หวังให้ร่างกายไม่ตายไม่ได้ต้องปล่อยวางปล่อยร่างกายก็เหมือนกับทิ้งร่างกายอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยให้มันไปแต่ใจจะไม่มีความทุกข์กับร่างกายนี่คือการปฏิบัติวิมุตติ ใจต้องปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ทำให้ใจทุกข์เนี่ยพอปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความเจ็บของร่างกายได้ก็ยังต้องมาปล่อยวางอารมณ์ที่มีในใจเองใจของเราก็มีอารมณ์ที่แปรปรวนไปแปรปรวนมาบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีบางวันก็เศร้าใจบางวันก็ดีใจบางวันก็วุ่นวายใจบางวันก็สงบ ถ้าไปอยากให้ใจมันดีอยู่ทุกวันเวลามันไม่ดีก็ทำให้เราทุกข์ใจขึ้นไีก็ต้องปฏิบัติมันเหมือนกับเราปฏิบัติกับร่างกายก็อย่าไปอยากอย่าไปยินดีกับมันปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันใช้สันโดษยินดีตามมีตามเกิดมันจะสดใสเบิกบานก็ปล่อยมันสดใสไปมันจะเศร้าหมองก็ปล่อยมันเศร้าหมองไป อย่าไปอยากให้มันไม่เศร้าหมองเวลามันเศร้าหมองเวลามันสดใสก็อย่าไปอยากให้มันสดใสไปตลอดเพราะมันเปล่นไปไม่ได้เพราะใจอารมณ์ที่มีอยู่ในใจมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกับร่างกายที่มันต้องเปลี่ยนจากจากคนที่เป็นคนแข็งแรงกลายเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายอันนี้ก็ต้องปล่อยต้องไม่ไปยึดไปติดไม่ไปถือ ไม่ไปอยากให้มันเป็นไปตามความต้องการของใจถ้าปล่อยได้แล้วใจก็จะอยู่กับมันได้อยู่กับความเศร้าหมองได้อยู่กับความเบิกบานได้อยู่กับความเสียใจได้อยู่กับความผิดหวังได้อยู่กับอะไรได้หมดอยู่แบบไม่สะทกสะท้านอยู่แบบไม่ทุกข์ถ้าเราไม่มีความอยาก กับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราเพราะเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่แปรปรวนอยู่เรื่อยๆเหมือนดินฟ้าอากาศเนี่ยดินฟ้าอากาศนี่เราไม่ค่อยไปทุกข์กับมันเท่าไหร่เพราะเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราไปทําอะไรมันไม่ได้ฝนมันจะตกเราก็ห้ามมันไม่ได้แดดจะออกเราก็ห้ามมันไม่ได้พายุจะมาเราก็หยุดมันไม่ได้ แต่เราหยุดใจของเราไม่ให้ทุกข์กับมันได้เพราะใจของเรายินดีแบบสันโดษนั่นเองยินดีตามมีตามเกิดแดดอกก็ยินดีฝนตกก็ยินดีพายุมาก็ยินดี <S S S ถ้าเรามีความสันโดษในทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว <S S จิตใจของเราจะไม่มีความทุกข์เลยนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อทำใจของเราให้เป็นสันโดษ ยินดีตามมีตามเกิดการที่จะทําให้ใจเรานี้เป็นสันโดษได้นี้เราต้องฝึกปฏิบัติจิตเรียกว่าจิตตภาวนาเราต้องทําใจให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาให้ได้อุเบกขานี้เกิดจากการทําใจให้สงบให้ใจเป็นสมาธิพอใจสงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วใจจะเฉย ใจจะเป็นโอเบกขาขึ้นมาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงจะเป็นใจที่สันโดษยินดีกับสภาพต่างๆที่ปรากฏขึ้นมายินดีกับสภาพที่ดับไปไม่ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่รักไม่ชังกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตใจไปสัมผัสรับรู้ด้วยต้องฝึกสมาธิฝึกสติ พอจะได้สมาธิต้องมีสติสติก็คือการระลึกอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปถ้านั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกไป <Yeah. S 1> เพื่อให้ใจหยุดคิดให้ได้ <Yeah. S 1> เมื่อใจหยุดคิดแล้วใจจะเป็นสมาธิ <Yeah. S 1> ใจจะเป็นอุเบกขาขึ้นมา <Yeah. S 1> ใจจะมีความสุข เพราะเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบที่จะทําให้ใจนีอ้อยู่แบบสันโดษได้ไม่เดือดร้อนได้มากได้น้อยก็ไม่ได้ทําให้ความสุขใจหายไปความสุขใจที่ได้จากความสงบนี้มันไม่มันจะไม่ถูกอะไรมาลบล้างได้จะรวยจะจนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะรวยขึ้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาจะจนลงก็ไม่เป็นปัญหา ถ้าใจมีสันโดษมีอุเบกขาถ้าใจมีอุเบกขาแล้วใจก็จะสันโดษได้เคยยินดีตามมีตามเกิดได้ <Yeah. S 1> ดูพระพุทธเจ้าดูพระสาวกทั้งหลายท่านอยู่ตามมีตามเกิด <Yeah. S 1> ถึงแม้จะมีคนมายกย่องสนรเสริญมาทำอะไรให้กับท่านมากมายก่ายกองท่านก็ไม่ท่านก็เฉยเฉยเราสร้างว่าให้พระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธเจ้าก็รับ อยู่ไปสักพนะักแล้วท่านก็ไปแล้ว <Yeah. S 2> ท่านก็ไปที่อื่นต่อท่าน <Yeah. S 2> ไม่ได้ไม่ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆที่เขาถวายให้ <Yeah. S 2> ให้มีความยินดีมีความสันโดษ ย, ยินดีกับสิ่งที่มี <Yeah. S 2> ยินดีกับการสูญเสีย <Yeah. S 2> ต้องยินดีทั้งสองอย่างแล้วจิตใจจะไม่มีความทุกข์ yeah. Yeah. นี่คือสิ่งที่เราต้องมาฝึกขัดปฏิบัติกันเบื <Yeah. S 2> ้องต้นให้เรายินดีกับ ปัจจัยสี่บ้างน้อยสันโดษกับปัจจัยสี่แล้วก็อย่าไปยินดีกับสิ่งอื่นทั้งหลายเพราะสิ่งอื่นนั้นเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแล้วก็ให้เรามาฝึกปล่อยวางร่างกายปล่อยวางสภาพของร่างกายความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายปล่อยวางร่างกายได้แล้วเราก็ปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจ ปล่อยให้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามวันดีสี่วันไข้อันนี้เป็นธรรมชาติของอารมณ์ของใจแต่ใจของเราไม่จะไม่ต้องทุกข์กับมันได้ถ้าเรามามีอุเบกขาถ้าเรามาฝึกสมาธินั่งสมาธิด้วยการบริกรรมพุทธโธด้วยการดูลมหายใจเข้าออกทําใจให้สงบแล้วใจจะไม่อุเบกขาใจจะเป็นกลางใจจะเฉย จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับอะไรต่างๆที่มากระทบกับจิตใจจิตใจจะเป็นเหมือนใบบัวหยวดน้ำที่หยดลงมาบนใบบัวนี้มันจะไม่ซึมเข้าหากันสิ่งต่างๆที่มากระทบกับใจที่เป็นอุเบกขานี้ใจจะเฉยใจจะไม่เดือดร้อนใจจะเป็นสันโดษนั <Yeah. S 1> ้นเป้าหมายของพวกเราก็คือ พยายามปฏิบัติเพื่อให้ใจเราเป็นสันโดษด้วยการฝึกสันโดษกับปัจจัยสี่แล้วก็มาฝึกจิตใจให้สงบให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขาเพื่อที่ใจจะได้ยินดีกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ใจเฉยๆยินดีตามมีตามเกิด ถึงเวลาแก่ก็แก่ถึงเวลาเจ็บก็เจ็บถึงเวลาตายก็ตายแต่ทุกข์จะไม่เกิดจากผู้ที่มีความสันโดษมีความยินดีตามมีตามเกิดนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้เรื่องของวิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์จะหลุดพ้นก็ต้องมีสันโดษมีความมักน้อยสันโดษในปัจจัยสี่แล้วก็ไม่ให้ยินดีกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้จะทาให้ใจทุกข์นั่นเอง mm hmm. แล้วก็ให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่จิตใจยังมีอยู่คือร่างกายและอารมณ์ของจิตใจ mm hmm. แล้วรับรองได้ว่าต่อไปใจจะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจต่อไป mm hmm. ใจจะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด mm hmm. การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา mm hmm. จะขอ ยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุมโมทนาให้พรยะทาวะวาาปุราปาริปุเรนติสักลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกปติอิติตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนะระโสยะธามณิโจเตอะระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาธนาสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโน จัตารอธรรมวัฏานตีอายุวนันรสุขังอาลงช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามเพราะจะต้องมีการเก็บข้าวเก็บของอะไรกัน ไม่บรรยากาศไม่สงบนันอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาตโต367ิ Facebook พ่อจอสุชาติอภิชาตโตห้าิบหยอดรวม Facebook 422ย y o u t u สองร้อยแปดวิดีโอออนไลน์สิบหกซูมหกผู้ 6, รับฟังนากุติร้อยห้ารวมเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดท่านค่ ะ, ะมีคำถามนะเขากอกาถามกับเรื่องจักในจประจำวันนะครับอาจจะไม่ก็ปฏิบัติทำสทักทีเดียวครับแต่มันเป็นเรื่องที่ผมเจอเป็นปัญหาในิจใจทุกวันนี้ครับ คือว่าตอนนี้ผมได้เข้าไปทํางานเป็นอาจารย์ที่มาเลายแห่งหนึ่งะครับเป็นช่วงทดลองงานเจ็ดเดือนแต่ก็พยายามเต็มพยายามแล้วแต่มันก็ยังมีข้อบกพร่องจนท่านมันเจ็บใจมันเกิดความกังวลว่ามันอาจจะไม่ผ่านทดลองงานหรือว่าเขาจะไม่จ้างต่อนะครับก็เป็นธรรมดาไม่มีอะไรแน่นอนก็ทําให้ดีที่สุดแค่ละกันแล้วก็ผลมันจะมางไงก็เหมือนแทงรถซื้ออถเ ต, ตลีนะรถเ ต, ตลีก็ไม่รู้จะถูกหรือไม่ถูก ทำงานไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็ว่ากันใหใหม่ครับแล้วก็เรื่องที่สองครับคือว่ามีอยู่วันหนึ่งด้วยความที่ผมยังเป็นอาจารย์เข้ามาใหม่ยังไม่รู้ภาษามากนะครับผมก็ถามอะไรที่มันไม่เข้าหูอาจารย์อาวุสโสข้อด่าผมที่จะคำหยาบคายมากนะครับจนบแล้วเดือนหน้าผมก็มีเรื่องที่ต้องไปงานร่วมไปทาธุระร่วมกับอาจารย์อาวุสโสท่านนั้นกล่าวจนผมก็เกลีความทุกข์อะครับว่าไม่อยากจะเข้าใกล้เขาอะครับควรจะวางใจอย่างไรดีครับ ก็เหมือนกับเวลาเราเข้าห้องน้ําอ่ะเราจะวางใจยังไงล่ะไปเจอกลิ่นเหม็นนะรีบไปรีบกลับครับอ่านั่นแหละก็ไม่ต้องเข้าใกล้แล้วก็ทาทําหน้าที่ของเรา ท, ทําทุกหน้าของเราให้เสร็จแล้วเราก็ไปแล้วก็ไปของเราครับก็ช่วงนี้เรื่องภาวนาอย่างตอนเช้าภาวนาสมรสิตภาวนามันก็ยังฟุงปุงฟุ้งไปอยู่ครับว่าเราขาดพุดโทโธไงเราไม่มีสติคนรจะฝึกพุโทโธเรื่อยๆ อย่าปล่อยให้ใจคิดทั้งวันทั้งคืนควรจะหยุดมันด้วยพุโทโธพุธโทโธให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับกรอกพระคุณครับถามอาจารย์พระาจารย์เจอาค่ ะ, คะถามว่าถ้าฆราวาสที่เข้ามาถือศีลแปดที่วัดนะคะแล้วกลับออกไปโดยที่ได้ถือศีลแล้วบังเอิญเสียชีวิตเนี่ยดวงจิตเขาจะได้อยู่ในแชมป์ผมไหมคะก็อยู่ที่ว่าเขาทํามากทําน้อยอันไหนมากกว่ากัน ถ้าชั้นเทพมากกว่าก็อยู่ชั้นเทพถ้าชั้นโภมมากกว่าก็อยู่ชั้นโภมก็ขึ้นอยู่กับกําลังของธรรมที่เรารักษาว่าไหนมันมากกว่ากันก็มันเป็นเรื่องของธรรมข้อสอบเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลทำไปเรื่อยๆก็แล้วกันถึงเวลามันจะไปชั้นนั้นก็ไปของมันนั่นแหละคําถามจากผู้รับฟังนากุติค่ะ คำถามที่หนึ่งหากเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานที่จะต้องถูกออฟฟิศเลิกจ้างด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจโดยที่อาจจะไม่ได้รับเงินชดเชยเราจะนำข้อธรรมข้อใดมาพิจารณาเพื่อเตือนสติกำกับใจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ครับก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้ให้ใช้สันโดษที่สอนวันนี้เราจะไม่ทุกข์ยินดีตามมีตามเกิด เขาจะให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ว่าเลยก็ไปบังคับเขาไม่ได้ไม่ได้อยู่ดีเมื่อไม่ได้อยู่ดีไปวุ่นวายไปตีโพยตีพายทําไมให้เหนื่อยเปล่าเปล่าก็ใช้หลักสันโดษเนี่ยดีที่สุดสามารถอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้อย่างสบายถ้ามีความสันโดษคําถามจากท่านต่อไปค่ะข้อที่หนึ่ง กรรมที่ทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดต้นกำเนิดของดวงจิตมาจากไหนเจ้าคะอันนี้เป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบก็เลยไม่ตอบแต่ต้นเหตุที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นแลนะความอยากไม่มีอยากเป็นที่คอยผลักดันจิตใจให้ไปเกิดไปมีร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้ตอบสนองความอยากได้ คำถามที่สองการยืมเงินคนอื่นไปบอกว่าจะใช้คืนแต่ไม่ใช้คืนถือว่าเป็นการผิดศีลข้อพูดเท็จหรือลักทรัพย์คะทั้งสองนโกหกด้วยแล้วก็ลักทรัพย์เขาด้วยก็คือเอาทรัพย์ขอไปแล้วไม่คืนเขาก็ถือว่าเป็นการลักทรัพย์ลักทรัพย์ด้วยการหลอกลวงด้วยการโกหกคำถามผู้ฝากถามค่ะผู้ป่วยสูงอายุที่เดินได้เคลื่อนไหวได้ แต่จำพี่น้องไม่ได้นั้นจิตของเขาอยู่ที่ไหนรับรู้ได้อย่างไรและอยากจะให้เขาทําพุโทโธจะทําอย่างไรดีเจ้าคะ่ะจิตเขาก็อยู่ที่เดิมจิตไม่มีที่เคลื่อนไหวไม่มีการเคลื่อนไหวจิตอยู่ในความในในจิตไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายร่างกายมันมีรูปร่างมันก็เลยต้องมีการเคลื่อนไหวแต่จิตมันไม่มีรูปร่างมันก็เลยอยู่ที่เดิมแล้วก็ จะให้เขารับรู้ได้ก็ต้องให้เขามีสติแต่ถ้าเขาไม่มีสติก็รับรู้ไม่ได้ก็ต้องถือว่าถือว่าติดต่อกันไม่ได้คำถามฝากถามค่ะระหว่างคนที่ทำทานจนหมื่เนื้อหมดตัวแต่รักษาสี่ห้าไม่ครบกับคนที่รักษาสีลห้าครบทุกข้อไม่เบียดเบียนใครเลย แต่มีความตรณีไม่เคยทำบุญทำทานเลยคนไหนได้บุญมากกว่ากันคะไม่รู้เหมือนกันล่ะเราเลือกทำเราดูแล้วกันเราไม่จะเป็นคนตั้งกฎแห่งกรรมก็ต้องปฏิบัติไปแล้วก็ดูในใจของเราเนี่ยใจของเราสุขแบบไหนก็แบบนั้นดีกว่าคุณน้ำครึ่งแก้ว ถ้าโดนกลั่นแกล้งแสดงว่าในอดีตเราเคยกลั่นแกล้งผู้อื่นก่อนใช่ไหมเจ้าคะแน่นอนไม่มีใครไม่เคยกลั่นแกล้งใครกลั่นแกล้งเข้ามาตลอดเวลากลั่นแกล้งเขานีจ่จำไม่ได้เวลาถูกกลั่นแกล้งนี่จําได้คุณสิริตัวผู้รู้กับตัวผู้คิดนี้เกิดจากจิตดวงเดียวกันไหมเจ้าคะ ทำอย่างไรลูกถึงจะได้เจริญสติให้ตัวผู้รู้ดูมันให้เด่นขึ้นมาเจ้าคะาผู้รู้ผู้คิดมันก็ตัวเดียวกันทำสองหน้าที่ทําผู้รู้แล้วก็ทําผู้คิดส่วนใหญ่เราจะใช้ผู้คิดผู้รู้ในความจริงรู้อยู่ตลอดเวลาแต่เรามักจะไม่เห็นผู้รู้เพราะผู้เพราะผู้คิดมาคอยบังหน้าเอาไว้ความคิดของเรา เราจะรู้แต่ความคิดเราเลยไม่เห็นผู้รู้ความคิดจริงแต่ถ้าไม่มีผู้รู้เราก็จะไม่รู้ว่าเราคิดอะไรอย่างผู้ที่รู้ว่าเราคิดอะไรก็คือผู้รู้ส่วนผู้คิดก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเมื่อกี้คำถามตอบถูกกบังก็ถามค่ะถามว่าตัวผู้รู้กับตัวผู้คิดนี้เกิดจากดวงจิตดวงเดียวกันไหมจะทำอย่างไรถึงจะเจริญสติ ให้ตัวผู้รู้เด่นขึ้นมาเจ้าค่ะก็น่าจะรังสติเพื่อหยุดผู้คิดเนี่ยพอยผู้คิดหยุดก็เหลือแต่ผู้รู้ก็เห็นขึ้นมาเหมือนผู้รู้เป็นเหมือนจอทีวีเวลาเปิดภาพเปิดจอขึ้นมาเปิดเครื่องขึ้นมามันก็มีภาพเต็มจอเลยไม่เห็นตัวจอเห็นตัวภาพที่อยู่บนจอถ้าอยากจะเห็นตัวจอก็ต้องปิดเครื่องพอปิดเครื่องปั๊บไอภาพที่อยู่บนจอก็หายไปก็เหลือแต่จอให้เราเห็น เป็นจอว่างๆไม่มีอะไรผู้รู้ก็เป็นผู้รู้เฉยๆไม่มีอะไรคุณพง์ขอทราบบทสวดที่ชี้แนะให้ควร น, นำขึ้นมาสวดแบบพื้นฐานค่ะก็เนี่ยระนมโมเนี่ยน้ำโมพุทธโธนำโมตัศสาระหังสัมมาพุทธังสรนังกัจจามิ ปานาติปาตาสัพเพสาตาเ<ม>นี่ก็เป็นบทสวดมนต์ที่พื้นฐานของชาวพุทธเราที่ควรจะรู้กันที่ควรจะสวดกันได้ผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีลูกหลานชอบถ่ายรูปให้เห็นเนื้อหนังดูแลโป๊จะเตือนเขาอย่างไรเพราะคาดว่าเขาจะตอบว่าที่เห็นไม่ได้เป็นอย่างนั้นและเป็นเรื่องของตัวเขาเองค่ะก็ไม่ต้องจะพูดเยลยถ้าเขาคิดว่าเาจะพูดอย่างนั้นทำไมพูดทาไม เาดงาคุณน้ำครึ่งแก้วบางครั้งเวลาข้าพเจ้านั่งสมาธิก็จะใช้คำบริกรรมท่องคำบริกรรม <c oughs> ท่องคำบริกรรมอยู่ตลอดไม่ได้ลืมคำบริกรรมแต่ยังมีความฟุ้งซ่านปรากฏขึ้นมาควรจะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะก็บริกรรมไปไเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับความคิด อย่าไปสนใจอยู่กับคำบริกรรมไปเดี๋ยวต่อไปถ้าคำบริกรรมชนะความคิดฟุ้งซ่านก็หยุดเองแต่ถ้าคำบริกรรมแพ้ความคิดฟุ้งซ่านก็ยังคิดต่อไปได้อเห็นถ้าจะไม่ให้ไม่แพ้จะให้ชนะก็ต้องบริกรรมไปเรื่อยๆคำถามที่สองของคุณน้าครึ่งแก้วค่ะจำเป็นไหมที่จะต้องเดินจงกรมก่อนทำสมาธิทุกครั้ง ก็แล้วแต่ว่าเรามีสติมากน้อยพอหรือไม่ถ้านั่งสมาธิไม่ได้ผลก็เดินจงกลมเพื่อจเจริญสติก่อนก็ดีให้มีสติมากๆแล้วค่อยมานั่งต่ออีกทีนึงคุณเซียเดโชกรอบเรียนวิธีการเลือกวัดที่จะบวชครับก็ต้องไปหาดนะูวัดไหนที่ถูกใจเราคุณวงเดือนกิเลสเข้ามาหาเรา หรือเราไปยึดเอากิเลสเจ้าคะอ๋อกิเลสมันอยู่ในใจเรามันเป็นเพื่อนของเราแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นศัตรตูเราไปเที่ยวมันเป็นเพื่อนเรามันชวนเราโลกก็โลกตามมันชวนเราไปกินไปเที่ยวเราก็ไปกับมัน <laughs> คุณไอซ์เบอรี่ ถ้ามีความคิดแทรกขึ้นในขณะที่เราดกาูการเคลื่อนไหวของร่างกายในขณะที่กวาดบ้านอยู่ในกรณีนี้เราสามารถบริกรรมพุทโธได้ไหมคะได้ได้ไดคำถามที่สองค่ะแล้วเราควรแก้ความฟุ้งซ่านของความคิดที่เกิดขึ้นอย่างไรเจ้าคะจึงสามารถดูร่างกายต่อได้ค่ะก็บริกรรมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดคิดนะคุณสุดใจ ลูกพร้อมจะบวชชีแต่สุขภาพเจ็บป่วยไม่แข็งแรงถ้าจะบวชลูกโกนหัวโบวชบวชโดยวิรัตศีลรักษาศีภาวนาที่บ้านได้ไหมเจ้าคะโดยไม่รับสีเ น, นี่ยนะวิรัตศีลค่ะวิรัตสีได้ศีล น, นี้อยู่ที่ตัวเราการวิรัตก็คือการกําหนดว่าเราจะรักษาศีลกี่ข้อแล้วก็เราก็รักษาไปคุณเบตตี้ คนที่ฆ่าตัวตายเพราะไม่อยากมีเพราะไม่อยากมีไม่อยากเป็นเพราะทุกข์ใจจนไม่อยากเกิดอีกแล้วเขาฆ่าตัวตายถ้าเขาตายจริงโดยไม่อยากเกิดเขาจะได้ไปเกิดหรือไม่เจ้าคะไม่แต่ก็ยังไม่ได้ฆ่าความไม่อยากเกิดการฆ่าร่างกายไม่ได้ไปฆ่าความอยากความอยากฆ่าร่างกายนี่ก็เป็นความอยากต้องอยู่เฉยๆต้องไม่ทําตามความอยาก ความอยากทิ้งจะหมดไปได้คุณแนทการไม่ทานเนื้อสัตว์การทานการไม่ทานเนื้อสัตว์เป็นบุญไหมครับการทานเนื้อหัวเนื้อควายเป็นบาปไหมครับไม่เป็นบุญถ้าเป็นบุญวัวควายมันต้องบุญมากกว่าคนเลยหัวควายมันก็ไม่กินเนื้อสัตว์การกินเนื้อสัตว์ก็ไม่บาปเองถ้าเนื้อสัตว์มันตายแล้วถ้าเราไม่ไปฆ่ามันไม่บาป แต่ถ้าไปฆ่ามาันเนาะจะกินไม่กินก็บาปเพราะมันบาปอยู่ที่การฆ่าไม่ได้อยู่ที่การกินก็ไม่กินคุณมยุรีในชีวิตที่เราเจอพระพุทธศาสนานั้นเป็นเพราะเราอธิษฐานจิตไว้ใช่ไหมคะเพราะตัวเองเวลาไปท่องเที่ยวต่างประเทศใจชอบไปโบทถและนั่งสงบได้นา น, านๆชูค่ะใช่หรอถ้าอธิษฐานได้ก็ไปนิพพานกันหมดแล้ว แค่การนิฐานเกี่ยพระพุทธศาสนานะการ น, นิฐานเป็นนิพพานเลยคุณบุญริสาอยากควบคุมอารมณ์โกรธไม่พอใจใจร้อนของตัวเองให้ได้ดีขึ้นมีวิธีใดในการฝึกให้ใจของตัวเองดีขึ้นคะพัฒนาจนแทบไม่มีอารมณ์โกรธเหลืออยู่เลยรู้เท่าทาันอารมณ์ก่อนที่จะโกรธเจ้าคะ่ะก็ใช้สันโดษเนี่ย ยินดีตามมีตามเกิดอย่าไปอยากอยากได้แล้วไม่ได้ก็โกรธขึ้นมาเสียใจขึ้นมาถ้าไม่มีความอยากเราก็จะไม่เสียใจไม่มีความโกรธงั้นยินดีตามตามีตามเกิดผู้ไม่ประสงค์ออกนามวิญญาณในปฏิจจสมุป บ, บาทแตกต่างกับวิญญาณในขันห้าอย่างไรครับเดียวกันวิญญาณสังขารในปฏิจจะกับวิญญาณสังขารใน ในขันห้าตัวเดียวกันคุณกุณทิดาถ้าพิจารณาอย่างเดียวโดยสมาธิไม่ได้ทําบ่อยๆจะมีโอกาสบรรลุธรรมไหมคะพิจารณาโดยไม่มีสมาธิหดโดยสมาธิไม่ได้ทําบ่อยคะ่ะโดยพิจารณาทางปัญญาแต่ไม่ได้ทําสมาธิก็ยากนะเพราะว่าการจะตัดกิลเลสได้ต้องมีโอเบกคา ถ้าไม่วิวเบิขาก็ตัดไม่ขาดเหมือนมีดไม่คมนะมีดไม่ได้รับไว้ก่อนต้องรับมีดให้มันคมแล้วก็ฟันมันถึงจะขาดถึงจะบรรลุธรรมได้คำถามที่สองของคุณธิดาของคุณคุณธิดาค่ะแล้วเราจะเจอจิตได้อย่างไรคะจะไปเจอมันทำไมมันก็มันก็คือเราอยู่แล้วเราก็คือมันไม่ไปเจอมันได้ไงแต่จะเจอตัวจิตก็ต้องหยุดหยุดความคิดแล้วก็จะเห็นตัวจิตน คุณนริมนออกจากสมาธิจิตสงบความรู้คิดผุดมาเองแล้วมีสิ่งมาหยิบจับเร็วมากปรุงแต่งจะออกทางวาจาแต่มีความรู้หนึ่งเข้ามาบอกว่าความรู้ปลอมสิ่งที่เกิดขึ้นก็ดับไปรู้ขึ้นมาว่าถ้าพูดออกไปจะเป็นกรรมให้เรารู้เฉยๆใช่ไหมคะให้รู้ทันความคิดปรุงแต่งโดยเฉพาะความคิดปรุงแต่งที่ไม่ดี ก็อย่าอย่าปล่อยมันแสดงออกมาทางกายทางวาจาคุณพง์ระหว่างนั่งสมาธิแล้วจิตมองเห็นภาพพระพุทธเจ้าแบบเลือนลางในความมืดคืออะไรครับก็คืออย่างนั้นแนะ่ะคืออะไรนะก็คืออนนี้จังทุกขังอนัตตาก็แล้วกันเอคือไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ถ้าไปอยากก็จะทุกข์ มันก็รู้ว่ารู้เฉยๆไปรู้ว่ามันเกิดแล้วดับไปคุณว่าโป้ชงเจดประกอบด้วยอะไรบ้างคะไปเปดิดดูในในกูเกมยเยอะแยะอย่ามาทดสอบเราเลยเรเราจำไม่ได้หรอกธรรมะต้องเยอะแยะเรารู้ตัวเดียวก็พอรู้ว่าพุทธโทตัวเดียวก็พอพุทธโทเดี๋ยวมันพาไปทุกสิ่งทุกอย่าง ตัวมันกับชื่อมันมันไม่บางทีจะตัวแต่ไม่รู้จักชื่อเข้าใจไหมปัญหาคืออย่าตัวชื่อไม่สําคัญรู้ชื่อไม่สําคัญให้กรารู้ตัวได้ตัวแล้วมันจะชื่ออะไรไม่เป็นไม่เป็นปัญหาได้เงินแล้วเขาจะเรียกว่าดอลล่าแล้วบาทก็ไม่เป็นปัญหาเลยขอให้ได้ก็แล้วกันมีคําถามเลยเข้ามาเลยครับ ค่ะมีสองคำถามเจ้าค่ะคำถามแรกคือว่าออรู้สึกไม่มีความสุขกับการทํางานหัวหน้าไม่ได้เห็นความสําคัญออทีมงานเข้ากับเขาไม่ได้อย่างนี้ค่ะคือจะทำวางใจยังไงให้เราทํางานแบบทุกน้อยลงอะค่ะก็ดูรางวัลที่เราได้รับจากการทํางานเลยเราได้เงินเดือนวางไปที่จุดนั้นถ้าไม่ทําก็ไม่มีเงินเด <ท PU. S 2> ือนก็เอาแค่ตรงนั้นอย่าไปว่าต้องการอะไรมากไปกว่าการทํางานทํางานเพื่อเอาเงินเดือน คนที่เราทำงานด้วยมันจะถูกใจเราหรือไม่อย่าไปสนใจอย่าไปหวังไม่สำคัญสำคัญว่าทำนั้นได้กันเดือดหรือเปล่าเ่นก็พอเราจะมีความสุขค่ะคำถามที่สองก็คื อ, อทำงานหนักไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติธรรมจะเพิ่มเวลาในการภาวนาในชีวิตประจำวันได้ยังไงคะทำงานน้อยลงเลย จ่ายทั้งสองอย่างดได้ลย ไ, ได้คร <laughs> ัลดค่าใช้จ่ายลงเลยใช้จ่ายน้อยลงไปมันก็ไม่ต้องหามากคือบริษัทเขามีงาน ก, กำหนดแล้วก็เปลี่ยนงานเ่ย <laughs> ทำงาน ท, า, ทาแบบเป็นงานอิสระเราเลือกเวลาทําได้ขายประกันขายเครื่องสำอางขายอะไรไปเลือกวันทําได้วันไหนไม่อยากจะทําก็ไปปฏิบัติทําได้ ทำเพื่อทำเพื่อปัจจัยสี่ก็พออย่าไปหวังร่ำรวยอย่าหวังไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แหละเนของปลอมนะั่นแะได้ได้แล้วก็ผ่านไปหมดไปขอบคุณด้วยค่ะึือเอาเวลามาปฏิบัติทำดีกว่าคุณแพทตี้หลักการคือทำใจให้สงบ ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์บริกรรมพุโทโธหรือการพิจารณาธรรมจนจิตสงบมีสมาธิเป็นอุเบกขาจึงพิจารณาไตรลักษณ์จึงจะเป็นไปเพื่อตัดกิเลสได้เช่นนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะถูกต้องแต่การปฏิบัติมันไม่ได้เป็นแบบรวดเดียวเข้าใจหกว่าจะได้สมาธินี่อาจจะเป็นปนีเราถึงค่อยไปทางปัญญาต่อไม่ใช่นั่งสมาธิปุ๊บคิดว่าจิตสงบก็พิจารณาทางปัญญา อันนี้ยังไม่ใช่กนะารปฏิบัติ ก, กับการคิดนี่มันไม่เหมือนกันการปฏิบัติี้จิตต้องรวมแล้วก็ต้องนิ่งสงบเป็นเวลายาวนานแล้วก็หลายๆรอบไม่ใช่เพียงรอบเดียวจนกระทั่งเรามีความชํานาญในการเข้าออกสมาธิก่อนมีความสงบทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิและออกจากสมาธิมาเราถึงไปพิจารณาธรรมต่างๆได้ คุณสุนทรนั่งภาวนารู้ลมหายใจละเอียดแล้วลมหายรู้สึกตัวพองๆนี่คืออาจารย์นี่คืออาการของฌานหรือยานครับอาการของจิตมากกว่าถ้าเป็นฌานแะล้วมันจะไม่มีอาการอะไรให้เห็นมีแต่ความสงบมีแต่ความว่างถ้ามีอะไรให้รับรู้ให้เห็นนีส่วนใหญ่เป็นอาการของจิตจิตที่ยังไม่สงบนั่นเองคุณพงษ์ บาปจากการที่เราไม่ได้ตั้งใจทำให้สัตว์เลี้ยงเราตายนอกจากนั่งสมาธิสวดมนต์ทาทานทำบุญให้เขาแล้วทุกวันพระเราควรเพิ่มสิ่งใดอีกคะใจเรายังทุกข์มองเห็นภาพหลอนอก็ให้ปรงอันนี้จังว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายอยู่ดีทุกคนแต่เขาตายแล้วก็เขาก็จะได้ไปเปลี่ยนพพเปลี่ยนชาติใหม่อาจจะดีกว่าพพเก่าก็ได้ คุณไอซ์เบอรี่ในขณะที่นั่งสมาธิมีความคิดแทกเข้ามาหนูได้ตั้งสติเพ่งอยู่ที่การบริกรรมพุทโธและดูลมหายใจโดยไม่สนใจความคิดที่เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆหนูทำถูกไหมเจ้าคะถูกแล้วอย่าไปสนใจคำถามที่สองคุณไอซ์เบอรี่ค่ะไตรลักษณ์จะปรากฏขึ้นหลังจากที่เราได้ฌานสี่ไม่ใช่เพราะเรากำหนดขึ้นมันเองหรือเปล่าคะ ตายแล้งนี้เราก็ถ้ามันไม่เกิดขึ้นมาเราก็ต้องเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาโดยการพิจารณาทุกอย่างว่าไม่เที่ยงไม่ได้อยู่การภายใต้อำนาจของเราไปอยากให้มันเที่ยงไม่ได้แล้วใจจะได้ไม่ทุกข์ถ้าไปอยากให้มันเที่ยงแล้วมันไม่เที่ยงมันก็จะทําให้ใจเราทุกข์คุณน้ํำครึ่งแก้ว เวลาเรารู้สึกไม่พอใจแล้วมันชอบมีอารมณ์ของความชั่วเข้ามาแทนแบบแนบเนียนอยู่ภายในเช่นชอบให้เราคิดทำให้ทำแนวน่ากลัวน่ากลัวแบบพวกโรคจิตคือเมื่อก่อนข้าพเจ้าไม่ได้สังเกตมันมาผสมเป็นประหนึ่งเดียวกับจิตบางทีเราเผลอไปทำตามมโนภาพที่วาดไว้แต่หลังๆเราเริ่มสังเกตและรู้ว่าเป็นอานาจความเร็วเป็นอานาจความเลวคอยเข้ามาดึงจิตใจเสมอ เช่นมีโมโนว่าไปผลักคนนั้นทำร้ายคนนี้เขาพระเจ้าพยายามจะไม่ทำแบบนั้นควรจะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะก็ ไ, ไม่ไปทำนั่นเองไปบังคับไม่มันไม่คิดก็ได้แต่ถ้าเราไม่ทำตามมันต่อไปมันก็ไม่คิดเองถ้าไปทำตามมันมันก็จะคิดอยู่เรื่อยๆคุณวาชีปัญญาจากความคิดบรรลุทำได้หรือไม่เจ้าคะหรือทำได้เฉพาะภาวนาเท่านั้ น, นถ้าใจมี มีอุเบกขาแล้วก็ปัญญากจากความคิดก็สามารถบรรลุธรรมได้แต่ถ้าไม่มีอุเบกขานี่ก็ยังไม่สามารถบรรลุธรรมได้จากความคิดอย่างเดียวหมดแล้วเลยโอเควันนี้แดดร้อนนะช่วงนี้มันเข้าสู่ฤ ด, ดูหนาวแล้วทีนี้พระอาทิตย์ก็จะคลอยเปลี่ยนทิศทางแดดก็จะเข้ามา มากขึ้นมากขึ้นพอพอนั่งได้ไหมพอทนกับแสงแดดได้ไหมหรือว่าต้องขยับเปลี่ยนที่ไม่ต้องน ะ, อ ะ, อะโอเคคุณกัลยาถ้าเราจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพเปลี่ยนพระห่มพระประธานในวิหารตอนออกพรรษามีอานิสงส์อย่างไรเจ้าคะก็เป็นทานอย่างนี้น ควิขอพระอาจารย์เมตตาสอนการวางจิตปฏิบัติมรรคข้อ 2, สองสัมมาสังกปะโดยละเอียดเช้าค่ะสังกปะก็คือความคิดไปในทางที่พุทธเจ้าสอนให้เราคิดคือคิดละบาปคิดสร้างบุญสร้างกุศลคิดปฏิบัติชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้คิดอยู่อย่างนี้อย่าไปคิดซื้อกระเป๋าซื้อนองเท้าคิดไปกินที่รานึงกินที่ร้า น, นี้ คิดไปเที่ยวที่นั่นคิดไปเที่ยวที่นี่เนืออันนั้นมิจฉาสังกปะไม่ใช่สัมมาสังกปะสัมมาสังกปะทั้งวันนี้รักษาศีลกี่ข้อดีเนตอนนี้ไม่กินเหล้าได้ไหมตอนเย็นแล้วกินเหล้าได้ไหมไม่ดูหนังได้ไั้ยไม่นอนกับแฟนได้ไอมคิดแบบนี้เรียกว่าสัมมาสังกปะคุณเอ็ทีเอม ระดับสติปัญญาของเราในภพภูมินี้จะติดตัวเราไปในภพภูมิอื่นหรือไม่ครับสิ่งที่เราทําขึ้นมาในจิตใจนี้มันจะติดไปกับเราไม่ ว, ว่าศีลสมาธิปัญญาหรือทานหรือการกระทำบาป<ม>อะไรต่างๆมันจะติดไปกับเรามันเป็นนิสัย<ม>ทําแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปคุณก้อย ความกลัวเจ็บป่วยเราต้องปฏิบัติทางธรรมอย่างไรเจ้าคะถึงจะหายหวาดกลัวเจ้าคะ่ะอ๋อก็ต้องทําใจให้สงบเนะเวลามีความกลัวก็ให้สวดมนต์ไปบริกรรมพุโทโธไปอย่าไปคิดอยุดความคิดพออยู่ความคิดใจสงบความกลัวความเจ็บป่วยก็จะหายไปแล้วก็สามารถสอนใจว่าต้องยอมรับความจริงของร่างกายว่ามันเป็นธรรมดา ไม่ว่าร่างกายของใครทุกคนเกิดมาแล้วก็วต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้คุณนัตี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการกินของเราเป็นกิเลสการกินยังไงเป็นกิเลสนะถ้ากินมากกว่าหนึ่งมื้อก็เป็นกิเลสพระพุทธเจ้าสอนพระให้กินมื้อเดียวถ้ากินมากกว่านั้นก็เป็นกิเลส หมดแล้วนะโอ okay. เคอาแล้วนะหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อวความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปเถิด